30 นาทีต่อไปนี้สํานักงาน ปปส. มอบให้ 80 พรรษา 5 2550 รวมพลังไทยพลัง ร่วมเทิดทายองค์ราชานปลายฟ้าสลายที่ปลายฟ้า ช่วยมีชีวิตครอบครัวที่แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีชุมชนให้เข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดินชีวิตรัก ต่อไปนี้ขอ กำแพงใจให้อภัยให้โอกาสผู้เลิศย่าเสร็จติด ดร. เจรวยพรทรณินอาชีพ หมอกสลาย 14 ความเดิมตอนที่แล้วกําจรกลับมาบ้าน ขอหมอกสลายที่ปลายฟ้าท่าน ไปจูมามีเรื่องอะไรน่าสนใจบ้างกินจูเที่ยวอยู่บ้านพอดีฉันๆที่ฉันไม่เข้าใจด้วยน่ะ เฮ้ยกูฉันไม่ได้กินอะไร แต่ที่ 8 ที่ว่านั่นก็ๆมันคงไม่ค่อยได้เจอผู้ ประธานคณะกรรมการชุมชนเนี่ยถ้าพ่อกำนันๆใจเย็น ฉันเองยังไม่เคยอืมไม่ตลกเลย แต่ถ้าไม่มีใครเห็นความหวังดีของฉันถ้าไม่มีใครเห็นความหวัง คิดซะว่านางหวานมันก็หลาน แค่นี้พอกับกูฉันจะยอมเป็นช้างเท้าหลังใจเป็นดีจ๊ะจ้า อ๋อเนี่ยก็ฟังหน่อยสิว่าไอ้เปียก เอ็งอ่ะดีกว่าเราเอ็งหมัวชักตายอยู่ ไปสืบว่าบ้านไหนปิดยาบ้าแล้วๆอย่าใช่ โกรธมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาตรงไหนไปเกิดเท่านั้นมันไม่มีอะไร แต่พอรู้ตัวแล้วจะเลิกไหมพอรู้ตัวแล้วจะเลิกไหม แสดงว่าเยปูนของเปียกเริ่มทํางานอย่างได้ผลแล้วรู้หมอ เพียงอย่ายอมแพ้เราอย่าครับ เห็นมั้ยๆ ทลายกำแพงใจให้อภัยให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดนายแพทย์ เธออยู่ยากกลับมาที่ร้านได้ฉันขายพวงมะลัย ก็ดูนั่นสิที่อึ๋งเค้ากําลังตรงมาหาแก เดี๋ยวพี่เองจะไปเจรจากับลูกพี่ให้ก็แถว แล้วถ้าวันไหนพ่อแม่ญาติพี่น้องของฉันนั่งรถคันอ้าว เห็นจะเดี๋ยวนี้เลยมั้ยเจ้าค่ะโอ๊ยใครมาดูหน้า นังแม่คามอะไรตัวแสบนั่นมันกล้าทําอย่างงี้ทําไมเอมิปลอบเข้า ไอ้มีดนะพี่นะมันไม่ใช่ไม้จิ้มฟันน่ะแต่มันอยู่ในมือ ถ้าพวกเลื้อเป็นนักเล็งธรรมราว่าคงไม่ห้ามเอาค่อย ว่าควรทํายังไงต่อไปจะได้ขายยาคล่องๆนะ ผู้ใหญ่บ้านหรือครูใหญ่ถ้าพวกนี้ อย่างที่อ้อยเล่านี่แหละค่ะครูใหญ่อ้อยอ่ะตัดสิน คิดเชิญเข้ามาครับว่ามีแขกมาขอพบครูใหญ่ค่ะเพื่อหมู่บ้านปลายฟ้าของเรา เพราะคุณหมอเป็นประธานคณะค่ะอ้อยไปก่อนนะคะอืมชื่อเสี่ยจิวนะ ค่ะจำครูใหญ่เนี่ยผิดน่าจะอ๋อ เชิญนั่งครับคุณอ้าผมจิวครับมาหาเออคุณพ่อบอกค่ะเออเอออนุคัง ยังนึกไม่ถึงเลยว่าครูใหญ่จะ คุณพ่อบอกว่าเห็นความสำคัญของการศึกษาแล้วกันเองก็เคยเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนบ้านไฟฟ้าก็เลยจะมาบริจาคเงินเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจนนะคะใช่ครับใช่ถ้าครูใหญ่อยากได้งั่งช่วย เกี่ยวกับคณะกรรมการชุมชนเข้มแข็งบ้านปลาย เราพร้อมจะให้ความร่วมมือในบริษัทไทยรุ่งมหาชน ผู้เหล่ายาเสพติดถ้าเขามีโอกาสได้ทํา นามผู้แสดงมีดังต่อไปนี้อาทรภาธิพัฒนะทินดาเกษรีเปรมกมลโชติกาสถีรสิรา และเฉลิมพลศิริประเสริฐศักดิ์ชนทานอาสาควบคุมเสียงอาทรภาธิพัฒนะดินดา